กิจของทุกคือปริญญากิจของสมุทัยคือการละกิจของนิโรธคือการทําให้แจ้งกิจของมรคคือเจริญโซโดาปฏิมรค ก, ก็ทํากิจ4ี่นะคือโซโดาปฏิมรคทํากิจกําหนดรู้ละทาให้แจ้งเจริญสกะทาคามีมรค ก, ก็ทํากิจอย่างนี้อีกทํากิจกําหนดรู้ทํากิจละทํากิจทําให้แจ้งแล้วก็ทํากิจเจริญอนาคามีมรค ก, ก็ทํากิจ4อรหัตมรค ก, ก็ทํากิจสี่ มัคสี่คูณกิจสี่เท่ากับ16บหกเขาเรียกว่ากิจสิบหกเนะเรียกว่าทํากิจ16เนี่ยเสร็จผู้ที่ทํากิจ16เสร็จเนี่ยแหละเรียกว่าพระอรหันต์เหนะ็นไหมพระโสดาบันเพิ่งทํากิจได้สใช่ไหมพระสกาทาคามีทํากิจได้8ดพระอนาคามีทํากิจได้12พระอรหันทํากิจทั้ง16ผู้ที่ทํากิจ16เสร็จเนี่ยเป็นพระอรหัน์ พระพุทธเจ้านี้เอาธรรมาจับมาแสดงก็คือประกาศถึงว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์คือผู้ที่ทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเนะผู้ที่เป็นพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นคําสอนเหล่านี้พร้อมทั้งกิจวะต้องทําอย่างนี้นะผู้ที่เป็นมรรคระดับสูงสูงขึ้นไปก็กําลังทํากิจเหล่านี้อยู่พระอรหันต์ก็ทํากิจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว เสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงต่อไปในหน้าเจนั้นในคาถาเป็นการกล่าวถึงตอนที่พระองค์ปรงมายุสังขารนะพระองค์ปรงมายุสังขารพอพระองค์ปรงมายุสังขารแปลว่าอีกสามเดือนต่อไปพระองค์จะตายนะแปลว่าปรงอายุที่ปาวานเจดีเมืองไพราลีเนี่ยนะพอพระองค์เนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดได้ว่าอีกสามเดือนตายพระองค์ก็อุทานออกมาว่า พระพุทธเจ้านี่ทรงสละแล้วซึ่งตุลังตุลังเนี่ยแปลว่ากรรมที่กําหนดนับได้อันเป็นเหตุแห่งภพที่เกิดปรุงแต่งภพและอัตุลังกรรมที่กําหนดนับไม่ได้ทรงยินดีในพระองค์มีพระไถยตั้งมั่นทําลายกิเลส ท, ที่เกิดในพระองค์ดุจนักรบที่ทําลายเกราะของศัตรูฉะนั้นอันนี้เป็นคําอุทานที่พระองค์อุทานพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยจัดที่เคยกล่าวว่า มีใครมั่งรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วดีใจเนี่ยมีพระอรหันเนี่ยมีพระอรหันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดีใจมากที่รู้ว่าอีกสามเดือนจะตายเนี่ยนะอุทานด้วยความดีใจนะไม่ได้อุทามด้วยความเครียดอะไรเลยดีใจมากที่รู้ว่าจะตายทำไมดีใจอ่ะนะเหมือนว่าดีใจมากอีกโรคนี้อีกสามเดือนจะหายเด็ดขาดเนี่ยปกตินี่เขาจะเสียใจหรือดีใจ ก็กตก็ดีใจนะเพราะขันห้าคือโรคขันห้าคือฝีนั้นถ้าบอกว่าดับขันห้าได้เป็นสุขใช่ไหมท่านรู้ว่าอีกสามเดือนท่านจะดับขันห้าได้อย่างเด็ดขาดท่านก็เลยดีใจมากนี่นะไม่ต้องมาบริหารขันอีกแล้วเขอวบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะคือผู้ที่ปรงภาระหมายคำว่าเป็นคนที่วางภาระเสร็จแล้วซึ่งต่างจากปุถุชนใช่ไหมเป็นคนที่แบกภาระอยู่ปุถุชนนี่เป็นคนแบกภาระจริงๆ ซึ่งต่างจากผ้าหันผ้าหันคือผู้ที่ปลงภาระเสร็จแล้วเพราะในการวางภาระนะั้นสมมอนว่าแบกปูนมาห้าสิบกิโลหรือร0อยกิโลเนี่ยแบกมาตลอดเสียใจไหมที่จะต้องวางปูนไม่เสียใจใช่ั้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ก็ดีใจมากที่พระองค์ได้ปล่อยอ น, นะเรียกว่าสละขันห้าแล้วก็ปลงมาปลงอายุเนี่ยนะอธิบายในพุทธพจน์เหล่านั้นคำว่ตตุลังตุลังนี้เป็นชื่อของ สังขารธาตุเป็นสังคตะธรรมคือพระพุทธเจ้านี้สละสังขารธรรมสละสังคตธรรมคือสละอุปาทานขันห้าสละรูปสละเวทนาสละสัญญาสละสังขารและสละวิญญาณอ ต, อ, อ, านะอตุลังนี้เป็นชื่อของพระนิพานอตุลังนี้เป็นชื่อของพระนิพานคําว่าตุลมะตุลันจะสัมภวัง อันนี้แปลว่าที่กำหนดนับได้นะนะแล้วก็กำหนดนับไม่ได้ไอ้ที่กำหนดนับได้เนี่ยอันเป็นเหตุแห่งพบที่เกิดนะตุลังนี่เป็นชื่อของกามาวจรใช่ไหมอตุลังนี่เป็นชื่อของมหคตะนะเป็นชื่อของรูปฌานและอรูปฌานทีนี้การที่พระองค์เนี่ยนะ สละแล้วซึ่งสังขารในพพอันเป็นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดกรรมเนี่ยนะการที่พระองค์สามารถสละกรรมนะสละสละพได้เนะี่ยอันนี้เป็นอภิญญาบัญญัติแห่งธรรมทั้งปวงหมายความว่าถ้าพระองค์ไม่รู้ยิ่งธรรมทั้งปวงทั้งหมดพระองค์ไม่สามารถที่จะสละสังขารธรรมได้ไม่สามารถที่จะสละสังคตธรรมได้ แล้วก็เป็นนิกเขปะบัญญัติแห่งธรรมะปฏิสัมพิทาธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะปฏิสัมพิทามีสี่ใช่ไหมความรู้ในทุกเป็นอะไรปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขสมุทัยเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขนิโรธคาไินีปฏิปทาเป็นอันนะ เป็นธรรมปฏิสัมพิทาคิดง่า ย, ายๆว่าความรู้ในทุกข์กับความรู้ในนิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสมุทัยความรู้ในมรรคเป็นธรรมปฏิสัมพิทานะความรู้ในเหตุเป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในผลเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาพันธ์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่พระองค์เนี่ย เอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงได้เอามาบัญญัติเอามาเปิดเผยให้มวลเวนัยสัตว์ตรัสรู้ได้นี้เป็นด้วยอนุภาพของธรรมปฏิสัมพิาทาที่ที่ที่รู้ต้นเหตุของของสิ่งเหล่านี้นะบอกว่าทรงสละแล้วซึ่งการมาวาจรกรรมที่กําหนดนับได้อันปรุงแต่งพบอันนี้เป็นปริจาคบัญญัติแห่งสมุ ท, ทยัยคือบริจาคต้นเหตุที่ทําให้เกิดใน พบได้หมดต้นเหตุที่ทำให้เกิดในวัตตะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องบริจาคออกไปใช่ไหมถ้าไม่บริจาคสมุทัยเนี่ยนะจะดับทุกได้ไหมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปริจาคะบัญญัติบัญญัติที่จะต้องสละโดยส่วนเดียวนะสละสมุทั ย, ยศสัตร์ถ้าสละสมุทั ย, ยศสสตร์ก็เท่ากับสละสละตันหาถ้าตันหาดับอะไรดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับ พก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับเนี่ยนะปัญทัศละตันหาอุปาทานพบปัญก็เป็นอันสละชาติชรามรณะเนี่ยนะสละโสกะปริเทวะทุกโทมณตอุปาญาตเป็นการสละกองทุกขโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นปริญญาบัญญัติแห่งทุกขสัจจะเพราะคนที่ไม่ทําปริญญาในกองทุกขอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนเจระสมุทยัยจะ บ, บริจาคสมุทยัยก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็น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 ชรามรณโสกัปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเทนี้การที่จะสละตัณหาเนี่ยสละได้อย่างไรคือคือตัวเชื่อมเนี่ยนะก็คือเขากําหนดรู้จากขู่กาหนดรู้รูปจากกําหนดรู้จากขูวิญญาณกําหนดรู้ภาษะกําหนดรู้เวทนาก็คือเจริญอนุปัสนาเจในจากขูเจริญอนุปัสนาเจในรูปเจริญอนุปัสนาเจในจากขูวิญญาณเจริญอนุปัสนาเจในจากขูสัมผัส จเจริญอนุปัสนาเจในเวทนาเมื่อจเจริญอนุปัสนาที่บริบูรณ์อย่างนี้จึงสามารถสละตัณหาได้ถ้าดับตัณหาได้อุปาทาน ก, ก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับเพราะในข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรู้จากขู่กำหนดรู้รูปกำหนดรู้จากขูวิญญาณภาษะเวทนาจนสามารถกำจัดตัณหาได้นั่นแหละเป็นเป็นภาวนาบัญญัติเนี่ยนะ เป็นการเจริญภาวนาขึ้นถ้าไม่ภาวนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เนี่ยนะที่ไปกำหนดรอบรู้ในจักขูเป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะละสมุทัยได้อย่างเด็ดขาดอะไรบทว่าอัจฉัตระโตสมาหิโตเนี่ยนะทรงยินดีในพระองค์คือพระองค์เนี่ยมีพระไถยตั้งมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพิจารณาร่างกายของพระองค์เนี่ยเข้าฌานได้หมดเลย พระองค์มีผมเป็นอารมณ์พระองค์ก็เข้าฌานได้พระองค์มีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกร่างกายของพระองค์เนี่ยนะทุกส่วนของสรีระเนี่ยพระองค์เข้าฌานได้หมดเลยนะนะแล้วไม่ใช่ฌานที่เป็นเป็นกสินก็ได้นะฌานที่เป็นอสุภะก็เข้าได้ฌานที่เป็นกสินก็เข้าได้อย่างเช่นพระองค์เนี่ยมีผมเป็นอารมณ์เข้านีละกสินมีฟันเป็นอารมณ์เข้า โอทาตะกะสินมีมีมันข้นเนี่ยนะที่สีเหลืองๆ เ, เนี่ยเป็นอารมณ์ก็เข้าสีเหลืองปีตะกะสินมีเลือดเป็นอารมณ์ก็เข้าโลหิตะกะสินพ ร, พระองค์เนี่ยสามารถภาวนาเนี่ยนะเจริญภาวนาด้วยอสุภะภาวนาก็ได้กสินภาวนาก็ได้ธาตุกรรมฐานก็ได้ในภายในร่างกายของพระองค์ นนะมีความหมายว่าเข้าฌานโดยที่มีผมตัวเองเป็นอารมณ์ก็ได้มีขนมีเล็บโดยแม้กระทั่งลมหายใจที่เราเรียกว่าเจริญอนาปานาสติทันในร่างกายของพระองค์พระองค์เจริญกรรมฐานได้หมดเลยนนะเจริญกรรมฐานโดยที่มีความสงบในภายในไอความสงบในภายในอันนี้แหละที่ที่บอกว่าอัจฉระโตสมาหิตโตมีจิตตั้งมั่นหรือว่ามีมีจิตตั้งมั่นมีความยินดีอยู่ในภายใน มีความยินดีคือสามารถเข้าฌานปฏิสถานอย่างตั้งมั่นในภายในคำว่าอภินิ่ิกาวาจะมิวัตตะสัมภวังแปลว่าทำลายกิเลส ท, ที่เกิดในพระองค์ดุดนั ก, กรบที่ทำลายเกราะของศัตรูอันนี้ก็เป็นชื่อของอภินิพิธาบัญญัตินะ น, นะเรียกว่าเป็นเป็นวิปัสสนานั่นแหละอั น, นอภินิพิธาเนี่ยนิพิธานี่โดยศัแ์แปลว่าอะไร นิพิทาแปล ว, ว่าความเบื่อหน่ายอภิแปล ว, ว่ายิ่งเป็นความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งของของจิตเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในขันห้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะอันนี้เป็นเชื่อของวิปัสสนา น, นั่นแหละวิปัสสนาของพระองค์เนี่ยเบื่อหน่ายนะนิพิธาที่เบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าที่ที่มุ่งมุ่งไปไหน มุ่งบริจาคเนี่ยนะมุ่งจะสลัดอุปาทานขนันห้าเธอคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าอาไรในขันห้าเนี่ยพระองค์จะยอมสละประชนมายุสังขารไห ม, ไมอาไรอาวอนเต็มทีเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมสละแต่นี่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเบื่อหน่ายเต็มทีเนี่ยนะอึดอั ด, อ ด, อดชิงชังเอือมระอามากเนี่ยนะเป็นอุปาธาบัญญัติบัญญัติ แห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเพราะพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไมเพรา ะ, ะพระองค์จึงสามารถสละอุปาทานขันห่าได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นประธานบัญญัติบัญญัติแห่งการทาลายเปลือกไข่คืออวิชชาอวิชชานี้ปกปิดห่อหุ้มห่อหุ้มอุปาทานขันห่าเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะ สรุปในคาถานี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้านิสละแล้วซึ่งกามาวจรสละแล้วซึ่งรูปาวจรสละแล้วซึ่งอรูปาวจรสละกรรมที่เป็นต้นเหตุให้ปรุงแต่งวัตตะในภูมิสามสละต้นเหตุที่ทําให้เกิดในวัตตะได้ทั้งหมดพระองค์นี้มีความยินดีในภายในคือยินดีด้วยการประดิษฐานตั้งมั่นเนี่ยนะยินดีด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิยินดีด้วย อัปปนาสมาธิยินดีด้วยพร ะ, ะสมาบัติเป็นต้นพระองค์นั้นสามารถทำลายกิเลสที่เกิดในพระองค์งด้วยอนาจอนุภาพของการอบรมสมถวิปัสนาของพระองค์เนี่ยนะและพระองค์ก็สามารถที่จะปรงอายุสังขารสลัดอายุสังขารเหมือนนักรบที่ทำลายเกราะของศัตรูฉะนั้นก็สละหมดเล ย, ยนะ ตรงนี้ก็อธิบายในลักษณะว่าสละทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อย่างไม่มีส่วนเหลือชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าพูดแบบสัจจะเลยนะตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตทั้งหมดของพระองค์เนี่ยเป็นทุกขสัตว์กับอ่เป็นเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วก็พระสมาบัติของพระองค์ก็เป็นสัจจะวิมุต ขั้นตอนที่พระองค์ปรินิพานก็คือสละกองทุกทั้งมวลเนี่ยนะสละทุกขัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะสมุทัยศัสตร์พระองค์สละเสร็จแล้วที่ที่โคนต้นโพเนี่ยนะสมุทัยคือตัมหาสลับทิ้งได้เด็ดขาดที่โคนต้นโพชีวิตหลังจากนั้นก็มีแต่ทุกขัสสะเนี่ยนะทุกขัสสะกับพร ะ, ะสมมาบัติก็เป็นสัตว์จัวีมุตเนี่ยนะพระองค์ก็จาริกไปก็สละ ทั้งหมดได้นะ น, นีนะฉั้นสละเด็ดขาดจริงๆก็ที่ที่ไหนสระเด็ดขาดจริงๆก็ที่กุสินารานีนะสระเด็ดขาดเลยที่ที่เรียกว่าปล่อยจริงๆเลยนนที่ที่กุสินาราอันนี้อันนี้ปล่อยเด็ดขาดสละจริงๆสระแท้จริงเลยในคาถาต่อไปนะในหน้า78หน้าเจ็ดสนั้นพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นทุก อันมีตันหาใดเป็นแดนเกิดแล้วบุคคลนั้นจะพึงน้อมไปในกามทั้งหลายอย่างไรแท้จริงบุคคลรู้ว่ากามทั้งหลายเป็นเครื่องติดข้องในโลกพึงเป็นผู้มีสติปฏิบัติเพื่อกำจัดกามเหล่านั้นถ้าดูตามนี้นะบอกผู้ใดเห็นทุกอันมีตันหาใดเป็นแดนเกิดแล้วเห็นทุกทุกตัวนั้นเป็นชื่อของอะไรตัวทุกนะเป็นชื่อของอุปาทานขันห้า อุปาทานขันห้าเนี่ยนะมีตัณหาเป็นแดนเกิดขันห้าทุกขันห้าเนี่ยนะที่ที่เกิดในโลกเนี่ยมีตัณหาเป็นเป็นแดนเกิดทั้งหมดเลยอย่างคิดง่ายๆตานี่มีตัณหาไหนนำเกิดตาตาจักขูนะมีตัณหาไหนนำเกิดมีรูปปัตนหานำเกิดหูมีสัทธาตัณหานำเกิดจมูกมีคันท่าตัณหานำเกิดเลนมี รัะตันหานำเกิดกายมีโพธภาษตันหานำเกิดใจมีธรรมะตันหานำเกิดเพรา ะ, ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมีตันหาเป็นเป็นแดนเกิดไอคาว่าทุกข์ก็เป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตันหาเป็นแดนเกิดถ้าหากว่ารู้ต้นเหตุว่าทุกเหล่านี้เกิดจากตันหาเป็นแดนเกิดอย่างเงี้ยเขาจะน้อมไปในกามอย่างไร รู้เลยว่าความยินดีในสีคือการสร้างตายินดีในเสียงคือการสร้างหูยินดีในกลิ่นคือการสร้างจมูกยินดีในรสสร้างลิ้นยินดีในโพธภาสร้างกายยินดีในธรรมรมสร้างใจเนี่ยนะเมื่อยินดีเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรอย่างนี้แล้วใจของเขาจะน้อมไปในวัตถุ ก, กรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมได้อย่างไรนะจะน้อมไปยินดีในสีเพื่อสร้างตาอีกหรือ แต่คำว่าตาเนี่ยนะพูดถึงคําว่าตาไม่ใช่พิจารณาแต่ตามนุษย์อย่างเดียวนะไม่ใช่พิจารณาแต่ตาที่ดีที่งามอย่างเดียวจะต้องพิจารณาตาในอบายด้วยพิจารณาตาที่เป็นไปกับโรคเป็นต้นได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคือพิจารณามาอย่างละเอียดรอบครอบหมดแล้วว่าตาหูจมูมกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นแหล่งของทุกจริงๆเนี่ยนะเป็นเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จ ร, จรจิงเมื่อรู้ว่าไอการเกิดขึ้นของตาหูจมูกเ้นกายใจเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นแห่ง กองทุกที่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยเมื่อรอบรู้อย่างนี้เนี่ยใจเขาจะน้อมไปยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรถโพธิธรรมรมได้อย่างไรก็คือเท่ากับบอกว่าปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่น่ายินดีเลยแท้จริงแท้จริงเนี่ยนะบุคคลรู้ว่ากามทั้งหลายเป็นเครื่องติดข้องในในโลกคำว่าการนี่เป็นชื่อของความยินดีความติดใจเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ทำให้ติดข้องอยู่ในในการมโลกรูปประโลกและอารูประโลกเมื่อรู้ว่ากามเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ติดข้องอยู่ในวัตตะรู้ว่าตัณหาเป็นตัวที่ทำให้ติดข้องอยู่ในวัตตะพึงเป็นผู้มีสติปฏิบัติเพื่อกาจัดกามมีสตินี่คือมีกรรมฐานะนะเช่นมีกายคตาสติกรรมฐานเป็นต้นน่ะปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสกามเหล่านั้น ถ้อยคําอันนี้เนี่ยนะกับสติปัญฐานโดยความหมายไม่มีความต่างกันเลยต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นเองอธิบายเต็มว่าโยทุกขังเนี่ยนะบอกที่บอกว่าผู้ใดเห็นทุกเนี่ยเป็นเววัจนะบัญญัติเพราะคําว่าทุกนั้นเป็นชื่อของอะไรบ้างเป็นไวยพจน์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นถ้อยคําที่ใช้แทน ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเพราะคำว่าทุกขในที่นี้เป็นชื่อของน่กลับไปดูหน้าที่เคยเรียนมาแล้วนะในหน้าไหนหน้าเจบสองเห็นไหมอีทางทุกขังย่อหน้าที่สองอย่อหน้าที่สองบอกอีทังทุกขังนี้ทุกบัญญัตินี้เป็นนิเค ป, ปะบัญญัติของขันห้าธาตุหกธาตุสิบแปดอายตนะสิบสองอินทรีสิบ พันคำว่าทุกเนี่ยเป็นเววจนะบัญญัติและเป็นปริญญาบัญญัติแห่งทุกขสัจจะเนี่ยนะเพราะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ยะโตนิทานังทุกคือขันห้าเป็นต้นที่กล่าวแล้วมีตันหาเป็นแดนเกิดอันนี้เป็นภาวะบัญญัติะปะภวะบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้ว่าตันหาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ให้ทุกเกิดนะ คาถานี่นะเขบอกว่าที่บอกว่าผู้ใดเห็นทุกอันมีตัณหาใดเป็นแดนเกิดแล้วเนี่ยหรือมีสิ่งใดเป็นแดนเกิดก็เหมือนกับคําที่พระสชิสอนพภาษาริบุตรนะพระสัชชีสอนพภาษาริบุตรว่าไงนะที่พระอาศพระลิบุตรเนี่ยติดตามพระอสัชิีไปแล้วก็ไปขอฟังธรรมจากพระสัชิเนี่ยนะธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเยธรรมมาเหตุตุปปภาวใช่ไหม ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงเหตุที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ทุกเหล่านั้นเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแสดงถึงธรรมะที่ดับเหตุเหล่านี้นด้วยนะพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสเช่นนี้ใช่ไหมทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดทำตัวนั้นก็คือทุกเหล่าใดเนี่ยทำตัวนั้นหมายถึงทุกขสัจจะมีสมุ ท, ทยัยคือตัณหาเป็นแดนเกิด พนะันโยทุกขังกับยะโตนิทานังเนี่ยเหมือนกันสมุทัยนี้เป็นปหาณะบัญญัติใช่ไหมพระองค์สอนให้ให้ละเนี่ยนะปะหาณะบัญญัติบัญญัติที่แสดงเพื่อให้ละสมุทัยสัจจะบอว่าอัทธคิคือเห็นแล้วเป็นเววัจนะบัญญัติและเป็นปฏิเวทธบัญญัติแห่งปัญญาจักสุเพราะปัญญาจักสุเนี่ยนะ ปัญญาตัวนี้เป็นชื่อของสัมมาทิฐิในองค์มรักเนี่ยที่ไปเห็นทุกโดยปริญญาไปละสมุทัยคือละปะหานะเนี่ยนะปะหานะสมุทัยอั้นคําว่าเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอะไรนะปัญญาในองค์มรักอะ่ะที่ทํากิจละอขออภัยที่ทํากิจกําหนดรู้ทุกและทํากิจละสมุทัยคําว่ากาเมสุ โสชันตุ ก, กระถังมนะนัมยะบุคคลนั้นจะเพ่งน้อมไปในกามทั้งหลายอย่างไรอันนี้เป็นเววะจะนะบัญญัติและเป็นอภินิเวะบัญญัติแห่งกามตัญหาอนนบาอกจะน้อมไปด้วยอานาจกิเลสกามดนอย่างร้ายเพราะเป็นการเอาอเป็นถ้อยคําที่ใช้แทนคําว่ากามตัญหาเพราะกา ม, ตกามะตัญหาเนี่เป็นความยินดีใน วัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามเนี่ยนะกิเลสกามนั้นเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินในวัตถุกามบทว่ากามาหิโสโลเกสังโคติยัตวารู้ว่ากามทั้งหลายเป็นเครื่องติดข้องในโลกเนี่ยนะกรมทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้ติดข้องอยู่ในโลกอันนี้เป็นทัศนบัญญัติโดยความเป็นค่าศึกแห่งกามทั้งหลายนะทัศ น, นนี้แปลว่าเห็น บัญญัติที่กล่าวถึงการเห็นเห็นอะไรเห็นกลามทั้งหลายตามตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกามทั้งหลายเป็นอย่างไรบอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงนะนั่นก็บอกว่าถ้าหากว่าไปเห็นหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะลึกสองเมตรหลุมฐานเพลิงที่ลึกสองเมตรแล้วก็มีแต่ฐานอย่างเดียวร้อนระอุถ้าใครตกลงไปในหลุมนั้นจะเป็นอย่างไรก็ ถูกย่างสดใช่ไหมถูกย่างสดเลยนะแต่ตกไปในลุมฐานเพลิงอะ่ะชั้นใดก็ดีวัตถุกรรมที่น่าปรารถนาในโลกนี้ก็ฉั น, นั้นทุกตั้งแต่เริ่มสแสวงหาเพราะการสแสวงหานี้ก็เร่าร้อนมากนะร้อนเหมือนกับถูกย่างเลยแหละก็ เ, เดินตากแดดไหม <c oughs> เดินตากแดดไปหาอะไรก็ไปหาวัตถุกรรมนั่นแหละก็ถูกย่างแล้วล่ะแล้วก็แม้แต่โลกนี้นะคนที่ถูกย่างสดๆนี่มีเยอะไหม นี่ขนาดชาตินี้ยังถูกย่างและชาติต่อไปล่ะก็ถูกย่างในนรกเป็นต้นคำว่าตกไปในหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะหมายคำว่าเดือดร้อนทั้งภพนี้เดือดร้อนทั้งภพหน้าเพราะวัตถุ ก, กามทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นแล้วกามทั้งหลายก็เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนชิ้นเนื้ออธิบายว่าเหมือนอย่างว่ามีมีนกนกตัวหนึ่งนะไปขโมยชิ้นเนื้อได้มาก้อนหนึ่งก็คาบคาบแล้วก็บินไป นกตัวอื่นก็มาเห็นเขาแบ่งมั่งสินกนกที่ไปคาบ ไ, ได้มานี่จะยอมปล่อยง่ายๆหรอไม่ปล่อยก็คาบไว้อย่างแน่นเลยนะไอ้นกที่บินตามมาก็ตีซะเอาปีกตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังตีซะจนนุ่มหมดเลยนะเมื่อตัวเองนี่เพลียเต็มทีแล้วตายแนย่างานนี้ถ้าคืนยังคาบไวนะ้ชยก็เลยคายทิ้งอีกนกอีกตัวหนึ่งก็มาคาบต่อก็ถูกตีอีกซะจนนุ่มเนยนะ ก็ปล่อยอีกนกตัวใหม่ก็มาจิตสรุปว่าเนื้อก้อนนี้ถ้าอยู่กับนกตัวใดนกตัวนั้นสะบักสะบอมหมดชั้นใดก็ดีวัตถุ ก, กามทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็สะบักสะบอมกันทั้งนั้นอ่ะนะใครที่มีชิ้นเนื้อมากๆคนนั้นก็สะบักสะบอมมากถูกตีทะ่วงหมดเลยนะสังเกตดูตําแหน่งอะไรนะ่อยตแหน่งนายกไม่เห็นชัดแต่ยังอยู่ในตําแหน่งนะถูกซับต้ น, นุ่มหมดอะนะจนกว่าจะคลายทิ้งอ่ะนะคนอื่นก็มาถูกรับต่อ ก็แบ่งๆกันไปลักษณะ น, นีนะ้มันเหมือนชิ้นเนื้อที่โอ้โหเยอะแยะกันจริงๆเปรียบเหมือนไฟที่ลุกโชนเนี่ยนะเหมือนไฟที่ลุกโชนเนี่ยนะหมายความว่ามันเร่าร้อนมากกัรเรียกว่าเหมือนกับกองเพลิงเนี่ยนะที่ที่ไปเกี่ยวข้องก็เร่าร้อนเลยแหละแล้วการทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนเหวคำว่าเหมือนเหวนี่หมายความว่า มันน่าหวาดเสียวมากมเพราะถ้าใครตกลงไปในเรื่องนั้นแล้วมีสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์เนี่ยพบใหม่คือเหวคือชาติชรามรณะเนี่ยยาวแน่แล้วก็วัตถุ ก, การมทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกับหัวงูเหมือนกับงูเนี่ยงูเนี่ยนะถ้าใครเกิดมาไม่รู้จักคําว่างูว่ามันมีพิษมีโทษมีภัยจะดูน่ารักมากงูนะไม่ว่ามันมีลวดลายใช่ไหมแผ่แม่เบี้ยออกมานะโอ้ลวดลายวิจิตดูงดงามมาก แต่ทําไมจึงกลัวเพระะาะรู้ว่ากัดแล้วตายวัตถุ ก, กามทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนยนะว่าจะดูหน้าเพลิดเพลินมากรถคันงามๆเนี่ยถ้ารถคันนั้นชนจะเป็นยังไงเรียนนะก็เคยเห็นรถรถชนคนได้ไหมแต่ว่าใครเห็นรถแล้วโอ้โหกลัวเหมือนเห็นงูเลยไหมไม่เพฉะนั้นบอกว่าพวกเนี้ยมันมันเหมือนงูจริงๆว่างั้นกามทั้งหลายเนี่เปรียบเหมือนงูผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะ จะมองเห็นเลยว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเหมือนกับล้มฐานเพลิงเหมือนกับชิ้นเนื้อเหมือนกับไฟที่ลุกโชนเหมือนกับเหวเหมือนกับงูเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยไปบินธบาตกับพระอนนท์เนี่ยนะพระอนนท์ก็เดินตามเช้าเช้านี่นะก็เดินไปนี่เมื่อคืนนั้นเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยเามีโจรเข้าไปปล้นในในในเมืองในหมู่บ้านได้ก้อนได้เงินทองมาเยอะใสถุงมาเลยแล้วก็มาทิ้งไว้ใกล้ๆที่ชาวนาไถนาทีนี้พระองค์ก็เดินผ่านไปตรงนั้นพระองค์บอกอาโนนนี่งูงูวะาานน์ก็บอกพระเจ้าข้างูงูชาวนาก็เลยไปดูสิทำไมเขาเรียกว่า ง, งูก็ไปเห็นโอ้นี่เงินทองทั้งนั้นเลยก็เอาไปปิดปิดปิดปิดปิ ด, ปดไว้แล้วก็ไถนาทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป นะทีนี้พวกที่เขาถูกปล้นเนี่ยนะก็มีการโวยวายใช่ไหมก้าแหวนเงินทองมันหายไปทํำยังไงทหารก็เลยติดตามมาโจนเนี่ยหนีมาทางนี้ทีนี้ก็มาเห็นชาวนาเขาก็ดูซ้ายดูขวาก็ดูจนเห็นร่องรอยว่าถูกกลบเอาไว้เนี่ยนะก็ไปคนดูก็เห็นเงินทองเลยบอกชาวนาเนี่ยแกปล้นมานะแกไปปล้นมาแล้วทําเป็นมาไถนาเนี่ยว่าไ ง, งก็เลยจับเอาไปเคี่ยน พอถูกเคียนถูกตีแล้วก็บอกพปก็ทึกพู้ตามพุทธพจน์เนี่ยมีนะพระพุทธเจ้าบอกว่างูงูงูงูนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่างูงูนะเสร็จแล้วก็ทหารก็บอกก็ก็ไปเฝ้าพระราชาเล่าว่าชาวนาเนี่ยพูดถึงพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่างูงูนั่นนะก็มีการเรียกไปสอบสวนนะนะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สอบสวนเนี่ยเขาถือว่าใช่เลยแหละก็เลยซ้อมใหญ่เลยนะเคี่ยนนัานนุ่มหมดเลย นนก็ก็เป็นงูเพราะชาวนาคนนั้นเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้แก้วแหวนเงินทองตัวนั้นตัวเองก็เลยถูกงูกัดจริงๆเลยนะถูกเคี่ยมซะน่วมหมดเลยเพราะวัตถุ ก, การมทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นประดุจเป็นเหมือนงูจริงๆใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะไม่มีหรอกมันผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนล้มฐานเพลิงเหมือนชิ้นเนื้อ เหมือนกองไฟที่ลุกโชนเป็นเหมือนเหวเป็นงูเนี่ยนะใจจะน้อมไปเพื่อสิ่งนั้นได้อย่างไรนะคือทำไมจะต้องน้อมใจไปเพื่อสิ่งนั้นด้วยเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นคือหลุมฐานเพลิงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นชิ้นเนื้อใครเคยเห็นฐานที่มันลุกแดงๆไหมลุกโชนเ่ยถามว่ามันเหมือนอะไรเหมือนทองคำทองคากับไฟลุกโชนชนมันต่างกันตรงไหน สมมติว่าก้อนเหล็กที่มันแดงเต็มที่เลยนะกับทองคำเนี่ยต่างกันตรงไหนก็ <c oughs> บอกว่าถ้าดูโดยสีเนี่ยนะโดยทวารทั่วๆไปถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ต่างกันทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเห็นไอ้ก้อนเหล็กแดงๆเหล่านั้นแล้วสาคัญว่าเป็นทองคำเนี่ยนะเราต้องเอามาอามากรอบไวเ้เยอะๆมาถือไวม้มากๆนะอะไรนันจะจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่ไหม วัตถุทั้งหลายในโลกนี้ใครที่ไปไปถือไปไปยึดครองไปเนี่ยก็เดือดร้อนนะนะเดือดร้อนจริงๆอะ่ะเชื่อเถอะอิรักเนี่ยถ้าไม่มีบ่อ น, น้ำมันไม่เดือดร้อนขนาดนี้หรอกก็าบ่อ น, น้ำมันแท้ๆเลยนะว่ามีทองอยู่เยอะคนก็เลยมาแย่งตายเป็นเบือเลย